ว่างจากงานจำใจจำเจทุกผลงานมีผลตอบแทนแม้ที่นึกว่าไม่มีใครเห็นนึกว่าทำเล่นเสียเวลาเปล่านึกว่าทำแล้วไม่มีรางวัลอันใดรอผลตอบแทนของงานที่ไม่หวังผลตอบแทนคือการรู้จักใจจริงของตัวเอง คือการรู้จักความเคลื่อนไหวด้วยใจจริงและคือการรู้จักค่าที่แท้จริงของใจจริงผ่านความสุขละมัยในการก่อร่างสร้างงานผ่านมหาปีติในผลงานที่สําเร็จเสร็จสมบูรณ์แต่งานย่อมมีเส้นทางก้าวหน้า เมื่อรักงานใดจริงทำสิ่งใดต่อเนื่องเนิ่นนานสิ่งนั้นย่อมเติบโตขึ้นและมีพลังสนองคุณสมน้ำสมเนื้อถ้าไม่เคยคิดถึงผลตอบแทนอย่างน้อยต้องให้ผลตอบแทนเกินกว่าที่คิดความกลัวสั่งให้เรานึกถึงอนาคตก่อน ชานิยมสั่งให้เราถามหาผลตอบแทนก่อนความละโมบสั่งให้เราเกณฑ์กำไรก่อนสังคมสั่งให้เราเสาะแสวงความมั่งคั่งก่อนกระทั่งเราลืมไปสนิทว่าปัจจุบันต้องมาก่อนอนาคตงานต้องมาก่อนผลตอบแทนความสุขต้องมาก่อนกำไร ความพอใจต้องมาก่อนความมั่งคั่งการว่างจากความกลัวอนาคตจะทำให้เรากล้าเผชิญกับปัจจุบันอย่างมีสติการว่างจากค่านิยมเรียกร้องผลตอบแทนจะทำให้เรานิยมทำงานเพื่อให้เกิดผลของงาน การว่างจากความโลภเกณฑกำไรจะทำให้เรามักน้อยและรู้จักเสพสุขจากความนิ่งการว่างจากความอยากมีฐานะทางสังคมจะนำเราออกจากงานจำใจจำเจแล้วหันเหทิศของการมองกลับมาสู่ใจจริงได้เริ่มต้นคิดออกมาจากใจจริงได้เริ่มต้นพูดออกมาจากใจจริง กระทั่งสุดท้ายก่อให้เกิดใจจริงที่ว่างจากงานจำใจจำเจ